โมดค่ะหลวงตาอืมวันนี้มากราบหลวงตาเป็นครั้งที่สามอะคะ่ะมันเข้าใจในสิ่งที่หลวงตาสอนนะคะว่ามันเข้าใจประมาณว่าคือถ้าคือมันมีสังขารกายสังขารจิตใช่ไหมคะหลวงตาอากายมันก็ทํางานของมันจิตมันก็ทํางานของมันนะคะแล้วมันเข้าใจว่า เอถ้าเมื่อใดที่เราหลงอ่ะคะ่ะเอามันมาเป็นเรามันก็ทุกเมา่นั้นเราพอถ้าเกิดว่ามันมีสติอ่ะคะ่ะมันก็จะไม่ทุกข์กับสังขารนั้นนั้นนะคะหลวงตาเราจะมาเรียนถามหลวงตาว่ามันยังมีอะไรที่มันหลงผิดอยู่ไหมคะหลวงตาก็ต้องมีสติปัญญาที่จะสำรวจนะด้วขณาดปัจจุบันว่ามันยังไปยึด อะไรอีกจะไปเอาอะไรจะไปยึดอะไรจะไปอยากได้อะไรสังเกตดูจิตใจของตัวเองทุกขณะปัจจุบันถ้ามันยังจะไปเอาอะไรแม้จะไปเอาสุขเอาสงบเอาว่างอะไรก็ตามก็ต้องปล่อยวางลงสังเกตได้ออกว่าจนปฏิบัติเพื่อจะไปเอาอะไรหรือเปล่าบางทีมันเห็นแล้วมันก็มันก็เกิดความสงสัยมันก็เห็นว่าสงสัยมันก็เป็นสังขารนะคะหลวงตาแล้วก็เอาคําสอนของหลวงตาค่ะที่บอกว่าให้สังเกตว่า ถ้าเราตายในณเวลาเนี้ยค่ะไอ้ตัวเนี้ยมันจะตายไปด้วยหรือเปล่าอ่ะค่ะอืมบางทีมันก็เห็นว่ามันไม่ตายบางทีมันก็เห็นว่ามันตายเลยค่ะเพื่อความหาลงเกล้าก็ปล่อยวางว่าคือว่าเอออะไรก็ตามถ้าเราตายเป็นสาวศพหน้าเปื่อยแล้วไอพฤติกรรมทางจิตหรือกิริยาการทองจิตในขณะปัจจุบันเช่นเพ่งจ้องเน้นก ด, ดนนนกข่มบังคับพยายามดิ้นลุนคนหาตึกตองวิเคราะห์วิจารณ์วิจัย พยายามอะไรพยายามพยาพยามพยาพยามต่ละพัดเนี่ยเอยคนที่มันตายนอนตายเป็นซากศพมันทำได้ไหมอย่างเงี้ยถ้ามันทําไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเราไปหลงไปทําอย่างนั้นก็จะเป็นหลงปรุงแต่งหลงว่าตัวเราเป็นปรุงแต่งก็จะไม่สามารถค้นจากทุกข์ได้ก็ <C fi> คือ ม, มันก็ยังหลงลมันก็คือยังหลงอยู่ใช่ไหมคะ <C fi> ใช่ใชเราก็ต้องเพราะบางทีเห็นมันนิ่งเกินไปไม่เป็นไรมันนิ่นเราก็เห็นว่าปเป็นสังขารเราก็จะพยายามไปดับเขาอ เ, เห็นว่ามันเป็นสังขารปล่อยวางไปให้หมด อะไรก็ตามที่มันดิ้นได้ก็เพิ่มได้ไหวตัวได้เห็นว่าเป็นสังขารเป็นสังขารไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นบางทีมันเห็นอย่างนี้นแล้วมันก็ไม่แน่ใจว่ามันยังยึดอยู่หรอือเปล่าคะหลวงตาที่คําว่าไม่แ น, น่ใจก็อันนัน้นคือสังขารมันก็จะไปอย่างนั้นเรื่อยๆออคำที่ <kalau S 2> ว่าไม่แน่ ใ, ใจอันนี้ไม่แ น, น, น่ใจอีกอันี้ไม่แน่ใจคำไม่แน่ใจนั่นคือสังขาร ถ้ดีถ้าเกตดูเนี่ยก็แสดงเป็นความที่ว่าในเบื้องหลังในเบื้องหลังหลึกในใจเราลึกแต่มีตัวเราอยู่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตนมีตัวตนของเรามันเลยมีความรู้สึกว่าเราทำาาาอย่านงนู้เราก็ไม่แน่ใจเราผิดหรือเปล่าไปงี้ก็เราไม่แน่ใจเราผิดหรือเปล่ามันมีตัวเราตัวเร า, ต, เราตัวเราอยู่เบื้องหลังของการประพฤติปฏิบัติเบื้องหลังของชีวิตความเป็นอยู่เราก็ต้องเห็นเข้าไปลึกเข้าไปอีกว่าไอ้ที่มันรู้สึกว่าเป็นตัวเราเอ้ยไม่แน่ใจตัวเราผิดหรือเปล่าเอ้ยตัวเรา ปฏิบัติอ่านี้เราจะเป็นองั้นเปล่าเราจะเป็นอย่างนี้เปล่าไอ้เราเราเราเนี่ยเห็นว่าเป็นสังขารปงแต่งเห็นมันเป็นสังขารเนี่ยมันของปงแต่งไม่ก็สิ่งใดเป็นสังขารสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นมเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็ปล่อยวางคือก็แม้เขาจะมีความรู้สึกก็มีเราเป็นเราเป็นเราก็เห็นว่าไอ้ความรู้สึกเป็นเราเป็นเราเป็นเราเนั่ยน่ะก็เป็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเข้าใจจริงรึเปล่านายทวนดิ มันเหมือนเข้าใจได้ด้วยการฟังอ่ะค่ะหลวงตาแต่มันจะยังไม่เข้าถึงใจยังไม่มันเข้าใจด้วยการฟังอ่ะค่ะหลวงตามันยังไม่เข้าใจถึงใจอ่ะค่ะมันเข้าใจถึงใจไม่ได้หรอมื่อใจสงบแล้วมันมมม น, น่ะ ก, ก็เป็นใจที่ไม่มันก็เป็นใจที่ไม่ปลุกแต่งแล้วมันก็เห็นว่าสังขารปลุกแต่งมีความคิดความนึกก้อนตึกก้อนตอมปลุกแต่งในใจอะจนเนี่ย แต่ตอนนี้ใจมันก็มีั้งความสงบและใจทั้งปรุงแต่งในความปรุงแต่งมีใจ<ๆ>ที่ไม่ปรุงแต่งอันนั้นมันก็เป็นความจริงขึ้นมาเลยไม่ต้องไปเข้าใจไม่เข้าใจหรอกในความสงบก็มี man. อาการของใจอยู่ไม่ว่าจะมีอาการของใจในรัางกายอย่างใดก็มันก็เป็นสังขารทั้งนั้นอาการของใจทุกอย่างเป็นสังขารมันจะตีตื้นเป็นอาการเหมือนกับอยากจะร้องให้ขึ้นมาอยากจะน้าตาไหลมาอยากจะเป็นอย่างนี้ยังเป็นอย่างนี้มันก็เป็นสังขารทั้งนั้นแหละส่วนใจแท้ๆมันไม่เป็สังขาร เห็นว่าในความสังขารทั้งหมดในความสังขารเกิดดับในความไม่สังขารต่อให้มีสังขารยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นมีอาการยังไงก็ตามนะมันเกิดดับได้สังขารทั้งหมดเกิดดับได้แต่เห around, นือกว่าสังขารทั้งหมดมันมีมันมีความไม่สังขารคือวิสังขารคือใจที่ไม่อาจสังขารไม่เกิดไม่ดับได้ความเกิดดับเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับ dette, มันความใจที่มันสงบเป็นความสงบ แต่ในความสงบก็มีความดิ้นรนความมีความวุ่นวายของจิตที่คิดหนึ่งกัตอนปรงแต่งจิตที่คิดหนึ่งกับตอนปรงแต่งก็คิดหนึ่งกัตอนปรงแต่งนี้อยู่ในใจที่สงบนั่นแหละใจที่สงบจากความเคลื่อนไหวมันมีใจที่สงบจากความเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ก่อความเคลื่อนไหวของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันก็เกิดขึ้นทุกขณะปัจจุบันน่ะแต่มันเกิดดับอยู่ในท่าการใจที่สงบที่ไม่เคลื่อนไหวสงบจากความเคลื่อนไหวไม่ใช่ว่าเราก็ใจผิดเราไปทําให้ จิตที่เคลื่อนไหวทำให้มันสงบคือใจที่มันสงบจากความเคลื่อนไหวมันเป็นธรรมชาติมันมีอยู่แล้วส่วนจิตที่เคลื่อนไหวก็เป็นธรรมชาติของจิตที่เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติของขันธ์หน้าขันธ์หน้าเกิดดับอยู่ในตัการใจที่ไม่เกิดดับมันเป็นธรรมชาติคู่กันความเกิดดับมันเกิดดับอยู่ในตัการใจที่ไม่เกิดดับธรรมชาติของความเกิดดับก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของสังขารจะมีการเกิดจะมีการดับ ธรรมชาติของใจหรือจิตเดิมแท้เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ที่ไหนใจเนี่ยแต่เรารู้ก็แล้วกันว่าในใจเราเนี่ยมีการเกิดดับหยุดใจเราตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไปทำใจนิ่งเฉยนะใจมีอาการนิ่งเฉยไม่ได้มันมีแต่ว่าไม่ปรากฏอาการใดๆเลยแต่ทุกความรู้สึกทุกคิดอารมณ์อ่ะมันมันปรากฏอยู่ในใจที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยแต่มันรู้ได้ว่ามีอะไรประเกิฏดับอยู่ในมันแล้วไม่มีใครเข้าไปยึดถือ ไม่ไม่มีใครเข้าไปยึดถือสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่เกิดดับนั้นไม่งงงเหรอมันชอบไม่เห็นความคิดนะคะหลวงตามันชอบแบบเหมือนกลับไปติดเหมือนเดิมอีกแล้วอะค่ะที่หลวงตาบอกว่ามันจะปุดปุดแต่มันไม่ค่อยเห็นที่มันปุดปุ่ดอะค่ะอมันก็ตัวเราเนี่ยไปจับความว่างมันมันกลับด้านกันมันเอาตัวเราเนี่ยไปไปดูความว่าง เอาตัวเราไปดูความสงบแต่เราไม่ได้ถามมันทุกขณะปัจจุบันว่าที่มันมีความสงบความว่างเนี่ยความสงบความว่างมันรู้ตัวมันเองได้ไหมว่าใครเป็นคนมารู้ความสงบความว่างใครล่ะรู้ว่ามันสงบมันว่างความสงบความว่างเนี่ยมันรู้ตัวมันเองได้หรือเปล่าล่ะไม่ได้ไม่ได้แล้วใครลรามาต้องถามใจเราว่าใครลรามารู้ความสงบความว่างนั้นน่ะเออนี่ยที่เราบอกว่ามันนิ่งมันเฉยอีกแล้วอาจารย์มันนิ่งมันเฉยอีกแล้วต่าง ไอ้ที่มันนิ่งมันเฉยนั่นแหละมันเป็นอาการของจิตเออมันเป็นอาการของจิตแล้วมันก็รู้ตัวมันเองไม่ได้ว่ามันนิ่งมันเฉยแต่เราเนี่ยถามใจเราถามผู้รู้มันจะรู้แล้วว่าใครเรามารู้ว่านี่ยเราเนี่ยนิ่งเฉยสังขารใครเป็นคนมารู้ล่ะสังขารก็คือตัวเรานี่นะฮะตัวเรามารู้มันนิ่งเฉยก็รู้ตรงตัวเราเนี่ยแน่ ไอ้ตัวเราเนี่ยที่มารู้ว่านิ่งเฉยเนี่ยมันไม่นิ่งเฉยเราพูดอยู่มันพูดอะอยู่ในใจอแต่เรากลับปฏิบัติผิดด้านคือเราเอาตัวสังขารที่เป็นขันห้าไปรู้อาการที่นิ่งเฉยแต่แท้จริงอาการที่นิ่งเฉยเนี่ยเป็นขันหน้า <het neat? S 2> เป็นอาการเราจะไปสนใจอาการที่ถูกรู้นั้นเมื่อรู้อาการนั้นแล้วก็ถามว่าใครเป็นผู้รู้อาการนั้นก็จะรับคําตอบว่าใครเป็นคนรู้ตัวเรารเป็นคนรู้รใค ร, นคนรคจะไปรู้ว่าว่าเรานิ่งเฉยคนอื่นเขาไม่รู้หรอก อันเมื่อตัวเรานี่เฉยก็รู้ตรงตัวเรานน่แน่ตัวเราจะพูดไม่หยุดจิดนึกตึกตองปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์วิจัยตึกตองพูดกับตัวเองบอกกับตัวเองตึกอาคจิิจจิจิอยู่ในใจแน่แน่ตัวเราตัวเราตัวเราแน่แน่พูดไม่หยุดอันนั้นไอเห็นตัวนั้นแน่มันไม่นิ่งไม่เฉยเลยตัวนี้ต่อนิ่งเฉยไหวไงก็ตามอย่าไปดูตรงอาการนิ่งเฉยอาการว่างที่ถูกรู้ให้มารู้ไอตัวผู้รู้ผู้รู้คือตัวเราแน่แน่ผู้รู้มันไม่นิ่งไม่เฉยแล้วเนพูดไม่หยุดอ่ะ แล้วเราก็สับตะวัรู้ตัวเราที่พูดไม่หยุดสับตะวรู้อย่าไปดับมันอย่าไปหลงไปกับมันอย่าพยายามไล่ดับมันดับไม่ได้หลับไปนั้นตาเป็ น, น, นสิง่งที่ทุกคน ين, เป็นเราเป็นเราเป็เราที่พูดไม ED, ่หยุดะด็กมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นตัวเราหลอยตัวนั้นเป็นตัวสังขารเราที่แท้จริงไง <c oughs> คือใจที่ไม่สังขารเนี่ยแต่มันยังไม่ถึงใจที่ไม่สังขารหลักมันต้องมาเห็นตัวเราซะก่อนเราปล่อยวางตัวเราทั้งหมดทุกขณะปัจจุบันมันจะเกี่ยวใจที่ไม่สังขารทุกขณะปัจจุบันค่ะ มันยังไม่ถูกขณะปัจจุบันยังมันยังขาดขาดยังไงเรียกว่าทุกขณะปัจจุบนันในขณะไม่เข้าใจมันชอบเพลิม น, นมันชอบอืเพลินเนี่ก็ต้องถามตัวเราเองเดี่ยวใครรู้ว่าเราเพลินใครรู้เร<อ>านิ่งเราเฉยเราว่างอะไรเนะี่ยต้องถามตัวเองแล้วก็มารู้ตรงผู้รู้นี่แน่อย่าไปรู้อาการที่ถูกรู้อย่าไปดูแต่รูปรถกินเสี่ยมตั้มผัดที่ถูกรู้รู้อะไรให้รู้ตรงผู้รู้นี่แน่รู้ตรงตัวเราผู้รู้นี่แน่ใครไป็นคนรู้รู้ก่าเราเป็นคนรู้รู้กันรู้ตรงเรานี่แน่ ใครเป็รู้เสียงก็เราเป็นคนรู้เสียงก็ดูตรงเราเนี่ยนะใครเป็นรู้กิ่น่ะก็เราเป็นคนรู้กลิ่นนะสิก็ดูตรงเรานี่ยนะรู้ตรงเราเนี่ยนะใครเป็นคนรู้รสล่ะก็เราจะเป็นคนรู้รสเราก็ดูตรงเรานี่ยนะรู้ตรงเราเนี่ยนะใครเป็นรู้ว่ารู้หนาวรู้เย็นรู้อ่อนรู้แข็งใครเป็นคนรู้เนี่ยแอร์มันเย็นเนี่ยก็เราเป็นคนรู้แอร์เย็นก็รู้ตรงเราเนี่ยนะใครเป็นคนรู้ว่าใจสบายไม่สบายก็เรานี่แหละใครเป็นคนรู้รู้สึกว่าอยากร้องไห้อยู่เลยใครเป็นคนรู้ล่ะก็เราเนี่เป็นคนรู้ อะไรก็เราเราเราเราทั้งนั้นไงเราเนี่ยคือมันจิตหรือวิญญาณขันมันตัวปรุงแต่งตัวร้ายเลยไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่ตัวเราที่แชจริงหรอกมันตัวจิตหรือวิญญาณขันเป็นตัวปรุงแต่งเราก็รู้ตรงนี้รู้ตรงเราเนี่ยมันปรุงแต่งไม่หยุดตัวเราผู้รู้นี่เนี่ยมันแต่งปรุงแต่งไม่หยุดแล้วก็สับตะวรู้ตัวเราอย่างพยาเป็นดับเขาดับไม่ได้หรอกมันปรุงแต่งอะไรก็สับตวรู้พุ้ไม่หลงตามมันไปคือสับตะวรู้คือว่ามันปรุงยังไงก็ไม่ครับไม่มีใครเข้าไปเสวยไม่มีใครเข้าไปยึดไม่มีใครเข้าไป ไปจับไปกินอาการเหล่านั้นเข้าใจไหมละ่ะแต่หนูเนี่ยปฏิบัติคือชีตประจำวันเนี่ยหนูรู้แต่สิ่งที่ถูกรู้ไม่ไม่ไม่ทวนกระแสเข้ามารู้ผู้รู้ไม่ไม่ทวนกระแสเข้ามารู้ตัวเราผู้รู้คือจิตวิญญาณขัน คือตัวนี้มันยังไม่ค่อยได้ฟังมั้งเนี่ยฟังซีดีเอเอเนซ์ซื้อที่อ่านไปส่งให้ไปอในหลายพวกอะไรยังไม่ได้เข้าไปติดตามใช่ไหมฟังค่ะหลวงตาเออแล้วมันไม่ได้มไไ่ด้ควรกระแสก็าหาผู้รู้เหรอทำไมไปหาสิ่งที่ถูกรู้หมดแหละมันเหมือนทําไม่เป็นนะคะ <S <S 1> <S 1> ือทําไม่เป็นควรกระแสก็าหาผู้รู้คือรู้อะไรอย่าไปหาอย่าไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้ทุกขณะปัจจุบันน่ะรู้รูปก็อย่าไปสนใจ ให้ค่ายความําคัญต่อรูปนั้นได้คอยสังเกตดูว่าใครเป็นคนรู้รูปกว่าเราจะเป็นคนรู้รูปเราสังเกตดูเนี่ยสังเกตตัวเราผู้รู้รูปนั้นวันพูดว่ายังไงกับรูปนั้นรูปนั้นเราพูดวัาในใจยังไงวิเคราะห์วิจารวิจัยยังไงในรูป น, นั้นเข้าใจไหมเนี่ยมันเห็นแต่ตัวผู้รู้วะค่ะหลวงตาเขาก็ผู้รู้เนี่ยแหละก็เห็นผู้รู้เนี่ยแหละก็ต้องเห็นผู้รู้แล้วพบผู้รู้ที่จะฆ่าผู้รู้แล้วปล่อยวางผู้รู้มันต้องเห็นผู้รู้ซะก่อน่ะถ้าเราไปเห็นแต่อาการที่่่ถููููกรร้้้มมันจะปลอยวางผไได รูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้เสียงเป็นสิ่งที่ถูกรู้กินเป็นสิ่งที่ถูกรู้ผดสภพหรืออาการที่มาอสิ่งที่มาสัมผัสกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็รสก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้รสชาติต่างๆที่กินเนี่ยก็ไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็อาการอาการต่างๆเนี่ยสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้จะไปสนใจให้ค่ายความสาคัญกับสิ่งที่ถูกรู้ให้ดูแต่แต่ผู้รู้ดูแต่แต่ผู้รู้เด้อ ปูรู้ใครรู้อะมันจะรู้ตรงพูดเรานี่ยแน่เราเนี่ยมันคนรู้ก็ดูตรงเราเนี่ยแนะเรามันรู้แล้วเราว่าเอาเอาสิ่งเหล่านั้นมาภาคมาพูดมาวิจารวิเคราะห์วิจารณวิจัยบางทีก็เอามาเข้าสมาธิฉินนินทาว่าลอยอยู่ในใจอย่างไรอะมันดูอยู่ในใจของเราเนี่ยสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจไม่ว่าจะรู้อะไรอย่าไปสนใจให้ค้ายก็ามสำคัญสิ่งที่ถูกรู้อย่าเข้าไปยึดถือสิกอย่ามัวแตอ่ะส่งจิตออกนอกไปหาสิ่งที่ถูกรู้ ให้รู้แต่กู้รู ha, ้นี่เนี่ยรู้ตรงผู้รู้ใจเราเนี่ยรู้ตัวเราหรือใจจิตจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยซึ่งเป็นผู้รู้มันจะมันจะพูดจะวิเคราะห์วิจารณวิจัยจะตึกจะตองจะเอาข้อมติชินนินดาว่าอะไรมันจะมาพูดอยู่ในใจเนี่ยพูดไม่หยุดตลอดเวลาเนี่ยให้ถ้าเราสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจมันก็จะรู้ตลอดเวลาเลยว่าในใจเราเนี่ยไปรู้อะไรแล้วมันเอามาพากเอามาพูดเอามาบ่นเอามาวิเคราะห์วิจารณวิจัยเอามาตึกตองกับเขาว่าอย่างไรกับสิ่งที่ถูกรู้ว่่าาอยงไร นี้มันพลาดคือพวกเราเนี่ยมันจะไปสนใจแต่สิ่งที่ถูกรู้ใช้ชีวิตประจําวันคือไปสนใจแต่สิ่งที่ถูกรู้มันไม่ทวนกระแสเข้ามาหาผู้รู้ผู้รู้ใครอะก็เรานี่เนี่ยไปรู้อะไรแล้วเอามาเอามาภาคเอามาพูดอยู่ในใจเอารู้อะไรแล้วเอามาภาคเอาพูดอยู่ในใจก็คอยสังเกตดูตรงผู้รู้นี่เนี่ยเหมือนกับหมานเนี่ยเลี้ยงหมาไว้เนี่ยสิ่ขะเลี้ยงหมาข่าไว้ในบ้านพ <c oughs> เปิดประตูบ้านตอนเช้าหม า, หมามเขาจะวิ่งออกไป้อกบ้านแหละ จะวิ่งออกไปฉี่ก็ฉี่นอกบ้านแทนจะฉี่ในบ้านก็ไปฉี่ก็ฉี่วิ่งไปฉี่ในบ้านไปหาอะไรกินนอกบ้านไปคาบอะไรเข้ามาไปเจออะไรเนี่ยมันคาบเข้ามาในบ้านเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราสติตั้งดีใจดูที่ใจรู้ที่ใจร่าที่ใจปล่อยวางที่ใจคือใจเราไม่หนีออกจากบ้านไปใจเราอยู่ในบ้านคืออยู่ในตัวของเราเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าหมาเนี่ยคือจิตเนี่ยมันไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัพพัดจิตนอกบ้านเนี่ยนอกกายนอกใจเราเนี่ยมันแล้วมันเอาเข้ามากินในใจยังไง มันเอาอะไรเข้ามากินเอาเอะไรขาบอะไรเข้ามาในบ้านเราเนี่ยไม่ถ้าจิตใจของเราเนี่ยอยู่ในบ้านในเหมือเพลินส่งจิตออกนอกเราก็จะรู้ตลอดเวลาว่าหมาเนี่ยคือจิตเนี่ยมันไปรู้รูปรดกินเสียงสัมผัสแล้วเนี่ยมันเอาสิ่งที่ถูกรู้นเนี่ยคือของที่มันไปได้มาเนี่ยมันจะเ อ, เอาอะไรเข้ามากินในบ้านบางท somebody, ี commencer? มันเกาสักสากนู่นสากนี้มากินเหม็นเน่าไปเลยในบ้านที่ก็ไปข้าบอะไรเข้ามาเต็มไปหมดเลยข้าบรองเท้าเขามาขาบนู่นนี่เนาะเอาเข้ามาในบ้านนี่แหละ เราก็ต้องคอยดูคอยว่ามันคอยรู้เต่าทานมันเพราะว่าปัจจัยเราเนี่ยไม่เหมื่อเพลินออกไปนอกบ้านคือตัวเราอยู่ในบ้านคือจิตไอสติมีสติอยู่ในบ้านอยู่ไม่เหม่อเพลิ่นส่งจิตออกนอกแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ตลอดเวลาว่าเนี่ยไม่ว่าจะรู้รู้ล้นกินเสียสัมผัสเสียสีทำอารมณ์ในทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันเอามาเข้ามาในบ้านเอามาคิดเอามานึกเอามาตึกมาตองวิเคราะห์วิจารวิจัยเหมือนหมาเนี่ยมันคาบเอาอะไรเข้ามาในบ้านก็จะรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านคือสติน่ะมันไม่ได้ขาด มันก็จะรู้ตลอดเวลาว่าหมาเนี่ยมันฆ่าอะไรเข้ามาเราก็มีหน้าที่ ต, รรต้องรู้เต่าทานมันอันนั้นนะะเจ้าจะเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยหืมทวนใหม่สิฝึกยังไงเราฝึกยงไงแต่ประจวาวันตอนนี้เอาทวนใหม่แล้วไม่ถูกเอากลับไปบ้านณขณะนี้เลยปัจจุบันเนี่ยคณขนาดปัจจุบันเนี้ยตาก็มองเห็นลุงตาอยู่หูก็ได้ยินเสียงลุงตาอยู่ค่ะ แล้วรู้ไหมว่าในใจเนี่ยมันพูดว่าอะไรสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรักที่ใจปล่อยวางที่ใจมันก็จะรู้ตลอดเวลาว่ามันพูดอะไรแข่งกับหลวงตาอยู่ในใจเนี่ยมันก็จะฟังหลวงตาแล้วมันก็จะพูดคิดวิเคราะห์ตามหลวงตาเอออย่างนั้นแหละเราก็สับตะวารู่มันทุกคิดทุกทุุกคิดทุกกิริยาการที่มันแสดงพูดตามวิเคราะห์วิจารวิจัยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็สับตะวารู่มันไม่ใช่ว่าไปดับมันหรอกหรือว่าหลงไว้กับมันสับตะวารุไว้แต่ฟังหลวงตาให้รู้เรื่องตาก็มองหลวงตาอยู่ รู้ตัวทัวพร้อมอยู่ทุกขณะปัจจุบันว่าทําอะไรอยู่ฟังอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ค่ะต้องทุกขณะปัจจุบันต้องมีสติตระพจนยะคือรู้ตัวเพื่อพร้อมว่าตัวเองกําลังพูดอะไรอยู่กำลังฟังอะไรอยู่กําลังทําอะไรอยู่ต้องมีสติตระพจนทุกขณะปัจจุบันคือฟันลงตาให้รู้เรื่องอืมแต่ขณะที่ฟันลงตารู้เรื่องเนี่ยก็จะต้องสังเกตว่าจะต้องสังเกตได้ว่าในใจเรามันคุยแข่งอะไรกับลุงตาอยู่ในใจน่ะมันพูดอะไรอยู่มันคุยแข่งอะไรกับลุงตาอยู่แต่ก็รู้ไม่เชื่รู้ในใจไม่เชื่อทำอะไรหรอกกั้ ดู ต, ตัว ท, <ụ> ที่มันคุยแข่งหลวงตาเออสัตวตวรู้แต่หลวงตาฟังหลวงตาพูดถึงรู้เรื่องเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันแล้วสังเกตได้ดีว่าในใจเราเนี่ยมันพูดแข่งกับหลวงตาอยู่มันมันคุยแข่งพูดแข่งกับหลวงตาอยู่ในในตัวเองอ่ะบุกตัวเองอยู่ในอย่างนี้เอออย่างนี้เหมือนหมืนกันอย่างนั้นอูอย่างนี้เหมือนสิ่งที่เราฟังมาเลยเอะไม่เหมือนเอ๊ะทำไมฟังไปรู้เรื่องเลยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ออย่างนี้เงี้ยเงี้ยงี้งงี้งงี้ มันพูดตลอดเวลานั่นแหละไม่มีใครไม่พูดหรอกไม่มีใครที่ตะโนไม่พูดเ้วยแต่ว่าเรานี่ยไม่ได้สังเกตเองแหละพอเราสังเกตแล้วมันพูจะเห็นว่าตัวเราน่ยพูดไม่หยุดเรา <store? S 1> ก็แค่เห็นนั่ะเห็นก็แค่เห็นสักตะวัเห็นสักตะวรู้สักตเวัน่ะเพื่อไม่อะไรเพื่อไม่ให้หลงไปกับเขาแล้วก็ไม่พยายามไปดับเขาก็แค่สักตะ ว, ว่าสักตะวตนันรูแค่นั่นแหละเข้าใจไหมล่ะเข้าใจค่ะหลวงตา